หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนาว อ, นาอยากลงความเย็นอีกว่าความร้อนมันน้อยนะเพราความร้อน น, น้อยความเย็นก็เพิ่มขึ้นเขาว่าธาตุเย็นไม่มีธาตุเย็นไม่มีมีแต่ธาตุไฟธาตุไฟมันน้อยธาตุไฟมากร้อนมากธาตุไฟน้อยร้อนน้อย อุณหะเตโชอุณหะเตโชธาตุไฟธาตุไฟมากก็ร้อนมากธาตุไฟน้อยก็ร้อนน้อยร้อนน้อยก็เลยมันไม่พอดีไม่พอดีกับร่างกายเราก็ว่าหนาวถ้าเราจะพิจารณาแบบธรรมะผู้รู้ว่าหนาวผู้รู้ว่าร้อนคือใจ แค้จริงเราลองพิจา ร, รณาลองจอดูมันเป็นยังไงจริงจเช่นอย่างมันเย็นที่ผิวเนี่ยเราเอาจิตของเราไปจอดูที่ผิวอย่คือเอาสติไประ ล, ลึกรู้ที่ผิวเนี่ยผิวนี้เย็นเสร็จแล้วก็พิจารณาในแง่ธรรมะความเย็นที่ผิวเนี่ยอันหนึ่ง ความเย็นที่ผิวมันมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นเวทนาในทางที่ไม่พอดีเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นเวทนาในทางที่ดีพอดีสุขสบายนี่ก็เป็นสุ ข, ขเวทนาการพิจารณราธรรมเราก็พิจารณาดูหลักความจริงอย่างนี้ดูความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่อนแหละเป็นธรรมะ เวทนาคือความเย็นที่ผิวบางทีมันเย็นมากๆเย็นเลยผิวไปอีกบางทีเย็นเข้าไปข้างในน่ะในหัวอกหัวใจน่ะมันเย็นเข้าไปข้างในคือความไม่พอดีร่างกายมันไม่พอดีของมันมันเย็นเกินไปมันร้อนเกินไปร้อนเกินไปมันก็ไม่ดีมันไม่พอดีเย็นเกินไปมันก็ไม่พอดีร้อนเกินไปกระทุ้บเขเวทนา เยนเกินไปก็ทุกขเวทนาการที่ร่างกายนี้อยู่ตรงกลางๆงอยู่ตรงพอดีเนะ่เราก็ว่าสุขก็เป็นสุ ข, ขเวทนาทั้งสุขทั้งทุกขที่กายเนะ่เป็นสุ ข, ขเวนเนทขขเว น, าเวนาเป็นทุกขเวทนาเวทนาแปลว่าเสเวย อ, อารมณ์อะไรเป็นคนเสวยใจเป็นคนเสวยเนี่ยห็นไม ใจเป็นผู้เสวยสิ่งที่ถูกเสวยคืออารมณ์คําว่าเสวยคือส่องคือเสพคือดูคือดื่มคือกินนั่นแหละแท้จริงก็คือรับรู้รับทราบแต่ด้วยเหตุที่เรายึดเราถือกลายเป็นว่าเราเสวยเราส่องเราเสพเราดูเราดื่มเรากินแท้จริงไม่ใช่ถ้าเรากําหนดดูให้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ถ้าเรา ไม่ได้กําหนดดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเสวยคือเราบริโภคเราดูดเราดื่มเรากินแต่ถ้าเราดูให้จริงเข้าไปแล้วเนี่ยเช่นอย่างร่างกายมันผิวว่ามันเย็นตอนนี้มันกลายเป็นอารมณ์เฉยๆจิตก็สักเทว่ารับทราบเฉยๆ เ, เท่านั้นเองทราบว่ามันเยน็นโดยเหตุที่เราไม่ได้แยกไม่ได้แยกว่าผิวหนังครคือกายเป็นอย่างหนึ่ง ความเย็นที่มาสัมผัสกายเป็นอย่างหนึ่งไอผ้ผู aire, nerve, ้รู้ว่าความเย็นมาสัมผัสคือใจเป็นอันหนึ่งเราไม่ได้แยกแต่ถ้าหาเราแยกเนี่ยเรากำหนดดนเดียวนี้ตอนนี้เนี่ยเรากำหนดเห็นได้เลยนะกำหนดดูได้เลยเห็นได้เลยเข้าใจได้เลยโดยเหตุที่เรากําหนดไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราก็เห็นไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้กําหนดทําไมเราจึงไม่กําหนด ทำไมเราจึงไม่พิจารณาก็เพราะว่าความเคยชินเนี่ยความเคยชินกับจิตที่อยู่กับสมมุติเกี่ยวข้องกับสมมุติยึดติดอยู่กับสมมติเนี่ยเป็นประจําเป็นเนืองๆ เ, เป็นอายจินไม่รู้กี่กับกี่การปุเรชาติละตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เรามีใจมามันก็มีการยึดมีการถืออยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นถ้าเราไม่ฝึกดูฝึกปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่เห็น ถ้ า, าเราไม่ฝึกไม่ดูเราไม่เห็นไอสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นฝ้าบังสติบังปัญญาบังความรู้บังความเข้าใจบังสัจจะทำอยู่เป็นประจำก็ติดอยู่แค่นั้นทําทำให้เรามองลึกมากไปกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าหากมีภาคปฏิบัติมาจับกาหนดนนดูกำหรดดูเราเข้าใจทันทีรู้ได้ทันทีทราบได้ทันทีพดูไปที่ความเย็นระ ล, ลึกรู้ความเย็นเนี่ย แล้วเราย้อนย้อนมาที่ผู้ระลึกคือใจใจเป็นผู้ระลึกอาการของใจที่ระลึกนะ่ยคือสติคือสติสติคือความระลึกได้ความระลึกได้มันก็เกิดจากใจใจก็คือผู้รู้ใจก็คือธาตุรู้การที่ธาตุรู้ออกไปทํางานนี่เขาเรียกว่าอาการของใจสติระลึกยับขึ้นมาเนี่ยเป็นอาการของใจ มันเป็นช่วงหนึง่งมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งช่วงหนึ่งที่จิตมีความรู้สึกรู้สึกชัดเจนที่สุดในกายของเราในใจของเรามันเป็นช่วงที่ที่ปรากฏความรู้สึกชัดเจนที่สุดเพียงอารมณ์เดียวมันจะเป็นอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปทุกระยะในกายของเราในใจของเราจะเจาะจงลงไปที่ใจของเรา มันจะมีความรู้สึกชัดเจนกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจ่อไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นความระลึกได้อันนี้ท่านเรียกว่าสติสติสติคือความระลึกได้แท้จริงท่านท่านก็เรียกว่าอาการที่เกิดขึ้นมาจากใจนั่นแหละมันเป็นอาการของใจเช่นอย่างธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเรามาดูไฟเทียนเนี่ยทำไมเทียนถึงติดเพราะเทียนมันมีธาตุไฟธาตุไฟคือความร้อน ความร้อนร้อนเนี่ยมันกินเชื้อมันกินน้ํามันมันกินไส้ธาตุไฟมันกินน้ํามันคือน้ํามันเทียนมันกินไส้คือไส้เทียนในขณะที่มันกินเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ในนั้นมันมีเปลวของมันอยู่ในนั้นเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นสีเหลืองๆนี่ยมันเป็นเปลวเป็นเปลวไฟเป็นเปลวไฟแต่ไม่ใช่ไฟนะมันเป็นเปลวไฟ แต่เราแยกออกจากการได้ไหมแยกออกไม่ได้มันเป็นเปลวไฟมันเป็นควันมันมีเปลวมันมีควันในขณะที่มันทํางานมันก็กินน้ํามันกินน้ํามันเทียนมันก็กินไส้เทียนอะไรเป็นตัวกินธาตุไฟธาตุไฟคือความร้อนตัวธาตุไฟเป็นประธานในขณะที่มันกินไส้กินน้ํามันมันเป็นอาการของมันทั้งหมด มันกินในขณะเดียวกันที่มันทำงานเนี่ยไส้ก็เริ่มหมดไปน้ามันก็เริ่มหมดไปเนื่องจากว่าสังขารมันทำงานประกอบกันมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันโทรมไปเราดูที่เปลวเทียนเป็นอุปมาร่างกายของใครของใครแต่ละร่างแต่ละคนแต่ละคนดูไปแล้วไม่ต่างอะไรกับเปลวเทีย น, นยกับควันเทีย น, นยกับสังขารของเทียนที่มันกาลังทางานอยู่ ถ้าไฟมันกำลังทํางานอยู่กินเชื้อกินน้ํามันน่ยในขณะที่มันกินเชื้อทุกทุกอย่างก็พร้อมที่จะหมดไปคือทุกอย่างมันเป็นพลังงานประกอบกับงานที่เกิดขึ้นกับผลของงานมันมีพลังงานแล้วก็มันมีผลงานปรากฏขึ้นเกิดขึ้นธรรมชาติของมันก็คือไฟมันกินพอมันกินปั๊บมันกลายเป็นการทํางาน ทำให้มีพลังงานในขณะที่มันมีพลังงานมันก็มีผลงานผลงานขอ ง, <co ld> ของมันก็คือให้ความร้อนแต่ความร้อนนี่ไม่ปรากฏทางสายตานะความร้อนนี่ไอ้ที่ปรากฏทางสายตาของเราตอนนี้ไม่ใช่ไฟและก็ไม่ใช่ความร้อนเนี่ยที่ปรากฏทางสายตาของเราตอนนี้แะไม่ใช่ความร้อนและไม่ใช่ไฟถ้าเราว่าชาติลงไปแล้วคืออะไร เป็นสีเขาบอกเป็นสีเป็นสีมันปรากฏเฉพาะตาแต่ธาตุไฟนั้นเราจะสัมผัสได้ต่อเมื่อ เ, เอามือเราไปจี้เราไปจี้เปลวเทียนเอามือเราไปจี้ดูเราทราบว่านั่นแหละนั่นแหละคือธาตุไฟแท้ๆแหละไอตัวที่เราเห็นตอนนี้ไม่ใช่ธาตุไฟอันนี้เราแยกนะเราแยกแบบภาษาธรรมะแท้ที่จริงร่างกายของเราก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละ คือในเมื่อสังขารมาประกอบกันในเมื่อมันประกอบกันเสร็จแล้วมันก็ปรุงแต่งมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในเมื่อเขาจับกระบวนการได้แล้วเนี่ยเขาปรุงแต่งมาอย่างต่อเนื่องกันคือการเกิดของร่างกายของเราเนี่ยเราคิดแบบนี้เราได้ประโยชน์เราคิดถึงร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คําว่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นี่ เราอย่าดูเฉพาะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เราพิจารณาย้อนไปย้อนไปวันนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้ย้อนไปเมื่อซืนนี้ย้อนไปนู่นสัปดาห์ที่ล่วงมาแล้วเดือนที่ล่วงมาแล้วปีที่ล่วงมาล่วงลงไปลงไปล่วงไนู่นจนเราไปเป็นเด็กพิจารณาย้อนลึกเข้าไปอยู่ในท้องแม่นู่นย้อนลึกเข้าไปกธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันเราพิจารณาย้อนลึกลงไป พิจารณาถอยไปพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนกลับพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนกลับมันคงที่ไหมมันไม่คงที่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีเป็นตัวเป็นตนไหมเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนจิตใจเข้าไปจับไปจองอยู่ในนั้นแหละโดยเหตุที่ใจไปไปจับไปจองแหละเพราะว่ากรรมทุกอย่างมันมากับใจ กรรมเก่าของเราเนะี่ยมันมากับใจใจเป็นคนพามาพามาเกิดในช่วงขณะนั้นกับคนคนนั้นซึ่งเรียกว่าแม่พ่อกับแม่มาประกอบกันธาตุพ่อธาตุแม่มาประกอบกันแล้วก็เจริญมาเรื่อยจเจริญมาเรื่อยในเมื่อประกอบกันได้สัตว์ได้ส่วนตามลักษณะความเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันุ์ อันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเรียกได้เฉพาะมนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็เช่นเดียวกันสัตว์ก็คือวิญญาณดวงหนึ่งไปเกิดคือใจดวงหนึ่งไปเกิดไปเกิดในท้องช้างท้องมา้าน้องท้องหมูท้องหมาท้องอะไรเหมือนกันหมดวิญญาณไปปรากฏคือกรรมของวิญญาณดวงนั้นอะไปจับไปจองเราไปจับไปจองกับใครที่ไหนก็คือกรรมของเรานะ่ยไปจับไปจองบางคนก็เคย มีความผูกพันกันโดยเหตุที่ว่ามีกรรมเกี่ยวข้องกันเราก็มาเกิดเกิดเป็นพ่อเกิดเป็นแม่กันบางคนก็อคุศลกรรมพาไปเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ได้เหมือนกันแต่เกิดมาเพื่อล้างผลาญกันบางคนมีอุปการะคุณต่อกันเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันเกิดมาเพื่ออุปการะคุณกันบางคนเคยเป็นกรรมกันเกิดมาเพื่อล้างผลาญกันก็มี นี่คือการการที่มาเกิดเอากรรมมาเกิดกรรมอยู่ที่ใจกรรมมาเกิดในท้องแม่หลังจากมากรอกๆคุ้มกันได้ระบบเจริญมาเรื่อยๆก็เหมือนอย่างท่าไฟอะท่าไฟมันไปติดที่ไส้เทียนละจุดเชกเดียวมันติดพอมันติดพอมันติดปั๊บนั่นคือมันได้ระบบแล้วพอมันได้ระบบเพรามันมันก็กินมาเรื่อยๆอย่างเทียนเร่มนี้เนี่ยมันกินจนหมดอะถ้าเราไม่ดับไฟ เยียนยนหมดอชีวิตของเราที่เราได้มาเนี่ยเราได้จากในท้องแม่แล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ชีวิตนี้ก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆอ่ถ้าเราจะเทียบกับอายุไขของเราก็เหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งนีง่แหละมันไหม้เรื่อยไหม้เรื่อยไหม้ไห ม, ไม้ในทีสุดก็หมดพอหมดมันเชือเช้อหมดเชื้อหมดน้ำมันมันก็ดับร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อมันมาเข้าระบบแล้วมันก็เจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อย เป็นหนุ่มเป็นสาวนะวัยกลางคนแล้วก็เริ่มเท่าเริ่มแก่ในที่สุดเราในที่สุดหมดอายุไขเท่ากับเทียนหมดเล่มหมดอายุไขคือหมดชีวิตตีนสีมันหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังถ้าเรียกว่าหมดอายุไขความเสื่อมไปความสิ้นไปของสังขารแม่ไขยเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปในที่สุดมันก็ก็มอดไปมันก็ดับไปใจดับไหมใจไม่ดับ ใจไม่ดับใจท่ารู้ใจคือผู้รู้ใจคือท่ารู้อันนี้ไม่ดับไม่ดับแต่ว่ากรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็ไปเกาะไปกลุมไปกักไปขังไปใส่ลงอยู่ในภาชนะน่ะคือใจใจก็หอบพี่ออกไปอีกแล้ะโดดจากร่างกายที่หมดอายุไขนั่นแหละโดดไปแล้วก็ไปจับจองอีกทําไมถึงไม่จับจองอีก เพราะใจยังเกี่ยวยังข้องยังผูกยังพันยังยึดยังถือทุกสิ่งทุกอย่างตามอำนาจของสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในจิตนะั่นแหะคือกิเลสกนะิเลสมันเกี่ยวข้องมันผูกพันอยู่ในจิตนะใจดวงนี้คือธาตุรู้เกิดขึ้นมาพร้อมกับธาตุที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีน ะ, ะเพราะได้สิ่งที่ดิบดีวิเศษวิโสมาแล้วก็พาไปทําทุกสิ่งทุกอย่างรับพะตามแต่ อำนาจของกิเลสจะพาไปจิตไม่บริสุทธิ์ในนั้นมีตัวกิริยามีตัวปฏิกิริยาคืออำนาจของความอยากพระุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าตันหาตันหาแล้ ว, ว่าความอยากกรมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงแสดงผู้บาจารย์ท่านไม่ได้แสดงอย่างเลื่อนลอยเรากําหนดรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราทราบได้เลยทันทีเลยความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานเนี่ย เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมภาคหลักความจริงเนี่ยจึงเป็นการศึกษาที่ทําให้เรารู้ง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่ามันมีความจริงปรากฏอยู่จำเพาะหน้าเนี่ยนอกจากว่าเราสง่งไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ส่งไปสงไป่งไปนู่นไปนี่ส่งไปตามสัญญาอารมณ์ความนึกความคิดความปรุงความแต่งส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยกลายเป็นกิเลสมะนาวจิตเนี่เป็นเครื่องมือเหมือน นึกคิดไปในในวังวนของกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาคำว่าวิภาวะตันหาก็คือไม่ชอบใจไม่พอใจกับสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นจมเพาะหน้าโดยหลักธรรมชาติของมันอธิบายวิภาว ะ, วะตันหาคือเอาจิตของเราไปดัดแปลงธรรมชาติธรรมชาติที่มันจะต้องมีมันจะต้องเป็นของมันแต่ด้วยอํานาจความไม่พอใจของจิตเอาจิตไปดัดแปลง ดัดแปลงกับเรื่องอะไรมันก็ผิดหวังกับเรื่องนั้นเช่นอย่างร่างกายต้องแก่เนี่ยเราดัดแปลงไม่อยากแก่เนี่ยมันอยากถ้าเรียกว่ามันอยากเหมือนกันแต่มันอยากไม่แก่ร่างกายจะต้องแก่มันอยากไม่แก่ร่างกายจะต้องเจ็บมันอยากเหมือนกันแต่อยากไม่เจ็บร่างกายจะต้องตายแต่มันอยากไม่ตายไอ้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติ การคิดฝืนหลักธรรมชาติอันนี้แหะท่าเรียกว่าวิภวะตัณหาปราถนาในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นไอ้ไม่ตายเนี่ยมันไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่แก่เนี่ยมันไม่มีมันต้องแก่ไอ้ไม่ตายเนี่ยมันไม่มีมันต้องตายเนี่ยท่เรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะวิภวะตัณหาอยากอยากประาศจากในพบอยากไม่มีอยากไม่เป็นตามภาวะที่จิตมันไม่ชอบ ไม่ชอบใจไม่ต้องการไม่พอใจแท้จริงตัวมันยึดเองยึดเองเสร็จแล้วก็มันก็ไม่ชอบใจเองมันมีทั้งสรรทั้งคมมันมีรอบข้างตัวของมันนะพิษภัยของมันอ่ะถ้าเราจะเทียบตัวของมันเองอ่ะตัวของกิเลสเด็เหมือนตัวบุ้งอ่ะละมันมีอาวุธรอบตัวเห็นไหมตัวบุ้งขนมันนั่นแหละมันมีอาวุธรอบตัวใครไปไหนโดนแทงท่านใครไปไหนโดนแทงนั้นถ้าเราปล่อยให้พิษภัยมันแสดงออกมา มันแสดงออกไปแง่มุมไหนนั่นพิษภัยของมันทั้งหมดแสดงออกมาหนึ่งในในลักษณะของกามตันหาท่องเที่ยวยึดถือเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปฏิกริยา ก, กามตันหาใคร่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุกาลทั้งหลายทั้งปวงภาะวะตันหายากมีอยากเป็นไอคําว่าความมีความเป็นนี่มันไม่มีตัวมันไม่มีตนแต่เราได้มาตามคําเรียกคําสมมุติ เาเรียกว่าอยากมีอยากเป็นเป็นยศนั้นเป็นตำแหน่งนี้นี่เขาเรียกว่าอยากมีอยากเป็นความอยากความอยากมีอยากเป็นอันนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นสิ่งที่เราสมมติเรียกกันขึ้นมันเป็นความสำคัญอยากใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็เรียกกันนี่คืออยากมีอยากเป็นไม่มีตัวไม่มีตนเจ้า ไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่เอาความอยากมาเป็นข้อจำกัดความได้อันนี้ก็คือกิริยาเข้ามาอี่กิริยาของกิเลสอีกการมันตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็เช่นเดียวกันอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพลังงานในใจพาเรามาเกิดพาเรามาอยู่แล้วก็พอเราตายแล้วเราพาเราไปอีกแล้วพาเราไปเกิดอีกแล้ว กรรมมันจำกัดอยู่ที่จิตอยู่ที่ผู้รู้จิตคือผู้รู้นี่ไปด้วยอำนาจของกรรมไปด้วยพลังงานของกรรมซึ่งมีกำลังมากมากกว่าบรรดาพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นในโลกมากกว่าพลังงานของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์มากกว่าพลังงานของเครื่องมือไฟฟงไฟฟ้าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้น สามารถให้ผลข้ามพบข้ามชาติได้นี่คือความสามารถของอำนาจกรรมที่เราได้มีพลังงานมีพลังที่สุดมีที่ไหนมีที่ใจของเราเนี่ยมันมีพลังขนาดไหนก็มีพลังขนาดพาเราไปทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดนะ่ะเวลามันหย่อนมันเกาะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วมันพาเราไปได้เลยพาไปทำดีทำดีเอาเป็นเอาตายกับ ทำดีได้พาไปทำไม่ดีทำชั่วเอาเราไปเป็นไปตายกับการทำชั่วได้มันพาเราไปเป็นไปตายได้นี่เพื่ออำนาจของมันพลังงานของกรรมพลังงานของตัณหาอันนั้นเป็นขุมพลังตัณหาแต่ธรรมะนะมีขุมพลังมากกว่าไม่งั้นจะปราบตัณหาไม่ได้ธรรมะมีอำนาจมากกว่ามีกำลังมากกว่า เราจะเทียบกําลังของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยธรรมะมีกําลังมากกว่าสามารถดับภพบดับชาติได้สามารถชำระจิตให้สะอาดให้หมดจดให้บริสุทธิ์ได้จิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่สะอาดจิตไม่หมดจดคือผู้รู้เนี่ยไม่สะอาดไม่หมดจดนึกคิดเรื่อยเปวยปรุงแต่งเป็นเหตุให้ใ ห, ให้ตัวเองเนี่ยเศร้าหมองยึดอนุมายึดอันนี้ม า, นนมาตามความอยาก แล้วก็มาโปะจิตจะขอให้เศร้าหมองดึงนั้นมายึดนั้นมายึดนี่มาแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองแต่พระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถเอาผู้รู้เนี่ยจิ้มผู้รู้เอาผู้รู้เนี่ยจิ้มผู้รู้กำหนดมาที่ผู้รู้เนี่ยพอกำหนดขึ้นมาปั้มเนี่ยทำให้ผู้รู้เด่นชัดขึ้นมาก็ให้ามาทำความรู้สึกอยู่กับผู้รู้ผู้เด่นชัดเนี่ยคือสติระลึกได้เนี่ย รมาเด่นขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาเช่นอย่างเราหนาวเราเย็นเนี่ยท่านให้เอาสติมร ล, ลึกรู้ที่ความเย็นเราจะเห็นว่าความเย็นก็คือความเย็นสติที่รรลึกรู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้ความเย็นก็คือความเย็นความเย็นมันมันมีที่ตั้งที่ตั้งของความเย็นคืออะไรคือผิวของเรานี่แหละเนี่ยนะที่ตั้งของมันผิวของเราเป็นอะไรเป็นกาย ร่างกายมันหนาวดูไปตรงไหนมันหนาวดูไปหมดทั้งตัวหรือดูไปตรงนั้นดูไปตรงนี้ไอ้ตรงไหนที่มีผ้าอุ่นๆมันพอดีของมันมันไม่หนาวดูไปตรงไหนที่มันลอดผ้าไปนะ่ะมันเย็นนั่นนะคือที่ตั้งของความเย็นเราดูอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องดูสัจธรรมดูหลักความเป็นจริงจะทําให้เราไม่มีทุกข์ในใจถ้าเราไม่ดูแล้วมันหนาว หนามันมาแบบไม่มีตัวมีตนนะมันกลายเป็นมายาอย่างหนึ่งไปหลอกจิตอันนี้แหละคือมายาของกิเลสเนะี่ยกิเลสทุกอย่างกิเลสทุกจําพวกกิเลสทุกประเภทเป็นมายามันไม่มีตัวมันไม่มีตมนตแต่มันอาศัยสัมผัสเหตุสัมผัสปัจจัยแล้วเกิดขึ้นโดยลําดับมันไม่เป็นตัวไม่เป็นตน มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนถ้าเราจะเทียบถ้าเราจะเทียบกับความสว่างเนี่ยความสว่างมันไม่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยเช่นอย่างความสว่างของเปลวเทียนนมันไม่เป็นตัวเป็นตนเราดูไปที่เปลวมัน่ะเราเห็นเหลืองเหลืองมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันหากอาศัยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นประธานคือไฟเนี่ละ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคนเป็นอุบายเป็นมายาเกิดขึ้นมาจากธาตุธาตุเดียวคืออํานาจของธาตุไฟชีวิกิริยาของกิเลสทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในใจของเรามันเกิดขึ้นมาจากใจอพอเอาใจจิ้มใจเอารู้จิ้มรู้เอาทําจิ้มกิเลสเนี่ยกำหมดจดจ่อเข้าไปทําให้เรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเจริญเข้าไปเจริญเข้าไปะ ทำความรู้ทาความเข้าใจเพื่อให้ให้รู้เท่าให้รู้ทันคนอุบายมายาของเิเลส <keeper> ท, olf, ที่มันเกิดขึ้นที่มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นตามระบบระเบียบของสังขารระบบ ร, บระเบียบของสังขารเช่นอย่างเทียนเนี่ยระบบระเบียบของมันไหมพอเรา Lance, ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราดูไปที่ไส้ก็ไม่ใช่ไฟเราดูไปที่เปลวมันก็ไม่ใช่ไฟเราดูไปที่ควันมันก็ไม่ใช่ไฟ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากไฟนี่แหละถ้าเรียกว่ามายาของมันถ้าเราจะเทียบกับกิเลส ก, ก็คือมายาที่เกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นเนื่องจากว่าเรามีใจและใจเราไม่บริสุทธิ์ใจเราไม่ฉลาดใจเราไม่สะอาดท่านจึงให้เอาใจจิ้มใจพิจารณาย้อนเข้าไปพิจารณาผู้รู้เอาผู้รู้จิ้มผู้รู้ย้อนผู้รู้จิ้มผู้รู้ มันเป็นการกลั่นมันเป็นการกรองมันเป็นการซักฟอกซักเข้าไปซักเข้าไปซักเข้าไปซักหาเหตุหาผลของมันน่ยซักเพื่อหาเหตุหาปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละคือเหตุผลนั่นแหละเอาเหตุปัจจัยมาว่าเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นเป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นผลย้อนไปอืออันนั้นเป็นเหตุของ Yun อันนี้อันนี้นกลายเป็นผลมาจากอันนั้น ย้อนไปอีกอันนั้นเป็นเหตุของอันนี้อันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นมันมีแต่เหตุกับผลเนี่ยย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเนี่ยเรามาพิจารณาดูตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้เนี่ยท่าก็พิจารณาเนี่ยพิจารณาแบบเราพิจารณาน่ยพิจารณาไปพิจารณาไปก็ไปตกไปตกล่องเหตุผลไปตกล่องของเหตุของผล อันนี้เป็นเหตุของนี้อันนี้เป็นเหตุของนี้อันนี้เป็นเหตุของนี้เหตุของอันนี้อ้าวกลายเป็นผลมาจากอันนั้นย้อนไปย้อนไปย้อนไปไปพิจารณานั้นว่าว่าเป็นเหตุของอันนี้พิจารณาไปพิจารณาไปว่าอ้าวอันนั้นกลายเป็นเหตุให้เกิดอันนี้และอันนี้กลายเป็นผลมาจากอันนั้นและอันนั้นก็กลายเป็นผลมาจากอันนั้นอีกน่ะมันมีเหตุมีผลพ่วงกันเหมือนลูกโซ่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปทราบเบื้องต้นทราบเบื้องปลายของมันน่ะ พอทราบหมดรู้เหตุผลหมดรู้ปัจจัยหมดใ น, นเมื่อรู้หมดเหตุหมดแล้วก็หลักธรรมชาติอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นโดยโดยอัตโนมัติคือหลักธรรมชาติของของการไม่ยึดการไม่ถือการปล่อยปละละวางคือผู้รู้มารู้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปโดยอัตโนมัติเองผู้รู้คือจิตคือทารู้เนถ้ารู้หนะลงตัวเองอะใจเรามันหลงตัวเอง พิจณาไปพิจรณาธาตุรู้พิจรณาไปรู้ว่าโอ้ยลืมระนึกได้รู้สึกตัวได้ระลึกได้รู้สึกตัวได้อุบายมายาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเรื่องมาปรุงแต่งทําให้เกิดกิเลตโดยลําดับลําดาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเนี่ยเมื่อมาระลึกรู้มาเข้าใจรู้มาตื่นเนื้อตื่นตัวระลึกรู้ก็หายหลงในตอนระหว่างที่หลงอยู่เป็นอวิชชา เป็นอวิชชาคือคือรู้แต่รู้ไม่รู้เหตุผลที่ละเอียดแน่ชัดเช่อนอย่างเหตุเกิดจากก็ชี้ไปที่ขอเนี่ยแก้ก็ไม่ได้เนื่กว่าชี้ผิดเหตุเกิดจากขอก็ชี้ไปที่คอคอควายเ้าเรียกว่าชี้เหตุผิดเหตุอันนี้เกิดจากผลของอันนั้นแต่ว่าไปชี้เหตุผิดไม่เม่อชี้เหตุผิดแล้วไปแก้ผิดเลย พอแก้ผิดปัญหาตัวนั้นแก้ตกไหมแก้ไม่ตกการที่เรายึดผิดเราถือผิดเนื่องจากว่าเราเข้าใจผิดเราสําคัญผิดเรายึดผิดเราถือผิดเราเข้าใจผิดเราสําคัญผิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดขึ้นมีขึ้นที่จิตความที่จิตไม่เป็นปกติไม่เป็นฐาสุขถ้าไม่เรารู้สึก ทุกใจเนี่ยเสียใจทุกทรมานใจไม่พอใจไม่สบายใจไม่อะไรทุกอย่างสารพัดเนี่ยความไม่เป็นปกติของจิตเนื่องจากว่าเราเข้าใจผิดเราสําคัญผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดเลยยึดผิดเลยถือผิดทําไมเราจึงเข้าใจผิดเราจึงสําคัญผิดเนื่องจากว่าเราชี้เหตุผิดเช่นอย่างเหตุเกิดจากกอไก่เนี่ยแต่เราชี้ไปที่ขอไข่เนี่ย เมื่อเราชี้เหตุผิดทีนี้เวลาเราไปแก้เราไม่ได้แก้ที่เหตุที่ถูกคือกอไก่เราไปแก้ที่ขอไข่เราแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ถูกแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกปัญหาทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกก็เหมือนอย่างเรายึดผิดถือผิดลงผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดว่าว่าเราหนาวเงี้ยแท้จริงคําว่าเราหนาวมันไม่มี มันเป็นมายาเฉยๆที่เกิดขึ้นภายในใจเราย้อนมันดูที่ย้อนมาดูที่ความหนาวหนาวตรงไหนหนาวที่กายหนาวที่ผิวตรงไหนย้อนย้อนไปดูที่จิตที่ไปดูก็อีกตั้งหากไอ้ความหนาวที่มันอยู่ตรงนั้นก็ต่างหากไอ้ร่างกายก็ต่างหากอันนี้การพิจารณาโดยธรรมนะเอากายของเราเป็นประธานเอาใจของเราเป็นประธานนี่เป็นกายานุปัชนา เป็นเวทนานุปัสนาเป็นจิตานุปัสนาไปโดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นหลักธรรมะน ะ, ะการปฏิบัติธรรมะถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราเราจับหลักยากถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดอะทั้งเรื่องของกายทั้งเรื่องของเวทนาทั้งเรื่องของจิตทั้งเรื่องของธรรมสรุปลงแล้วก็คือเป็นงานของจิตทั้งหมด เป็นงานของผู้รู้คือธารู้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นจะว่าเรามีธาตรู้เรามีธาตรู้เรามีผู้รู้ถ้าเราไม่มีผู้รู้อย่างเดียวเนี่ยขันห้ามันก็ไม่มีคือผู้รู้ในเมื่อเราไม่มีผู้รู้อย่างเดียวโลกนี้ไม่ปรากฏแกเราอะทีนี้ถ้าผู้รู้เราไม่หลงธาตรู้เราไม่หลงเนี่ยรูปประคันเราก็ไม่มี เวทนาขันเราก็ไม่มีสัญญาขันเราก็ไม่มีสังขารขันเราก็ไม่มีวิญญาณขันเราก็ไม่มีขันทั้งห้าซึ่งเป็นสรุปที่สรุปยอดของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาแบะทํำไมเราถึงต้องไม่แบะเพราะเราไม่มีทำไมเราถึงไม่มีเนื่องจากว่าเรารู้เราเข้าใจทะลุปุกพวงหมดแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่มีอาการไม่มีกิริยา เป็นจิตที่ไม่มีอาการเป็นจิตที่ไม่มีกิริยาเวทานามนเป็นกิริยาของจิต น, เ ป, นเป็นอาการของจิตสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิตมันเป็นผลิตผลของกิเลสที่มันสร้างมามันเกิดขึ้นมาเพื่อทํางานประสานประสานอันเป็นฝักฝ่ายของกิเลสที่จะทําให้งานของมั น, นได้ผลถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาประกอบกิเลสมันทํางานไม่ได้ผลด้วยเหตุที่กิเลสมันก็มีเหตุผลของมัน มันมีข้อมูลของมันมีเหตุปัจจัยของมันเลยเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเน่ยที่ประสิทธิการได้ยินได้ฟังปรสิทธิการยึดถือปฏิบัติตามหลักที่พุทธิยถาท่านสอนเนี่ยเลยยอมสิโรราบกับมันทุกอย่างหมดประตูต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องมือที่เหนือกว่ามันตามมันไม่ทันรู้มันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้ไม่รู้มันชอนชัยไปตรงไหนจะถูก เมื่อนถูกงาถูกอะไรของมันะเพื่อที่จะดึงออกเพื่อที่จะสํารอกออกเนี่ยดึงไม่ได้ปอกไม่ได้ไม่รู้ไม่ค่อยใจพอจ่อไปตอนไหนก็เจอแต่เราจ่อไปตอนไหนก็เจอแต่เราจ่อไปตอนไหนก็เจอแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราที่แท้จริงคืออะไรเห็นไม้มพุทธเจ้าท่านละเอียดท่านลึกดูไปแยกแยะเข้าไปจ่อไปที่กายตรงไหนกาย เจาไปที่ผมเจอแต่ผมเจอแต่ขนเจอแต่เล็บเจอแต่ฝันนี่ฝันท่านก็บอกว่าอ น, นิท้ธาตุธาตุดินืึมอาบเสบร้าวกับธาตุน้ําอบอุ่นในกายก็เป็นธาตุไฟหายใจเข้าหายใจออกกับธาตุลมท่านให้แยกแยะแยกให้ละเอียดมากไปกว่า น, นี้อแยกอาการเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่า นี่เป็นธาตุดินธาตุน้ําก็คือตั้งแต่น้ํามูกน้าําเหลืองน้ำเลือดน้ำลายไปจนถึงน้ําน้ําปัสสาวะนั่นน่ะนี่คือธาตุน้ำธาตุดินกับธาตุน้ําถ้าให้แยกโดยละเอียดถ้าต้องการจะแยกธาตุไฟไฟอบอุ่นในกายไฟยังอาหารให้เร่าร้อนไฟยังร่างกายให้อบอุน่นไฟเผาอาหารให้ย่อย ไฟอะไรสารพัด ท, ที่มีอยู่ในกายอาจรย์ปัญหาแยกแยะผัดลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องต่ำํำมีวิธีการแยกแยะให้เราพริจารณาแยกแยกอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรก็คือศัพท์ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นตามภาวะของมันที่สังขารมันประกอบกันแล้วมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นตามภาวะของมันเอง ในเมื่อมันเข้าระบบ me, เข้าระเ บ, บียบได้แล้วเนี่ยเราไปดัดแปลงอะไรมันได้ดัดแปลงไม่ได้ถ้าเราดัดแปลงไม่เข้ากับหลักธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่มีไม่เป็นถ้าเราดัดแปลงเข้ากับหลักธรรมชาติเนี่ยแม้แต่เอามนุษย์ไปสร้างในหลอดแก้วเขาก็สามารถไปสร้างได้เนื่องจากว่าดัดแปลงเข้ากับหลักของธรรมชาติถ้าไม่เข้ากับหลักของธรรมชาติแล้วก็ไม่สามสญญารถจะมีได้ไปเปลี่ยนได้เนี่ยในเมื่อร่างกายของเรามันมาเกาะกลุ่มกันแล้วด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยเราจะดัดแปลงมันยากมาก ดัดแปลงให้ร่างกายให้อยู่กับที่ไม่ต้องแก่นะตอนนี้กําลังหนุ่มแน่นพอดีกําลังวังชาดิบดีมากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่ไม่ได้ดอกการนึกการคิดเนี่ยนึกคิดได้คือใจเป็นฝ่ายนึกฝ่ายคิด <est> เหตุปัจจัยของใจในอย่างหนึ่งแต่ว่าเหตุปัจจัยของร่างกายน่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันต่างกันเหมือนกับกอขอนั่นแหละ like. เหตุปัจจัยมันเกิดจากกอแต่เราชี้ไปที่ขอเนี่ยเวลาจะแก้ก็แก้ผิดละ ตัวนี้แหละสำคัญมากการที่เราจะจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านท่านจึงให้มาเข้าในหลักอรยิยมรรคมีองค์แปดเนี่ยประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลก็เป็นเหตุรองบาตรองพื้นรองฐานไม่ให้ใจเราเร่าร้อนหลงตาท่านบอกว่าเป็นกรอบรั้วขนาบสองข้างเราให้เราเดินไปตามล่องนี้แหละไม่ให้เราออกนอกลูก่นอกทางถ้าออกนอกลูก่นอกทางไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายที่เราจะไปไม่ถึง เป็นกรอบสองข้างเป็นรั้วสองข้างเดินไปเดินไปสู่ความสงบกิเลสเนี่ยเราต้องการจะรู้จะเข้าใจมันเนี่ยเราดับมันโดยไม่มีกําลังไม่ได้เราดับมันโดยไม่มีกําลังไม่ไ ด, เ ด, ด, ไไได้เราจะต้องมาสร้างขุมกําลังขุมกําลังก็คือสติคือสมาธิคือปัญญานี่แหละสติสมาธิปัญญาเป็นขุมพลังเพื่อที่จะปราบมันได้ถ้าเพื่อ เราต้องการไปส่องไปรู้ไปเห็นอะไรในที่มืดเราก็จะต้องอาศัยไฟไปส่องไฟเราไม่สว่า ง, างไฟเรายรีบรีไปส่องอะไรก็ไม่เห็นเราจะต้องมาทาไฟให้ไฟดวงใหญ่ให้มีความสว่างมากพอที่จะสามารถไปส่องให้มีกำลังมากการที่เราจะเอาความรู้ความเข้าใจของเราไปส่องให้เห็นกิเลสในใจเช่นเดียวกันเราเริ่มสะสมได้นับตั้งแต่เริ่มเริ่มมาจากสติ สติสมาธิปัญญานี่ยสติสัมปชัญญะทํากันอย่างต่อเนื่องอาศัยอาตตปะคือความภาคความเพียรประครับประคองอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นการสะสมเพิ่มพูนพลังของสติของสมาธิให้เป็นขุมพลังให้เป็นขุมของปัญญาสติสมาธิปัญญาพิจารณาไปเรื่อย พ, พิจารณาโดยลําพังพิจารณาโดยลําดับจนกลายเป็น ปัญญาญานจนกลายเป็นมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญาหมายว่าเป็นแสงไฟดวงใหญ่เป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ๆสามารถส่องอะไรอยู่ตามซอกตามมุม น, นี่เป็นข้อเปรียบเทียบอยู่ตามซอกตามมุมทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหลบทั้งซ่อนอยู่ตรงไหนไปไปดึงไปพลิกไปดึงไปพลิกไปเปิ ด, ไ ป, ไ, ปดไปแงะไปงัดไปอะไรดูเพื่อให้ใหายข้อ สงสัยหายความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รักษาศีลท่านจึงให้เจริญสมาธิดับกิเลสมันยังไม่ได้แต่ให้มันชะลอตัวให้มันหยุดตัวคือสงบจิตซะก่อนในเมื่อเราสงบจิตเนี่ยกิเลสมันก็สงบกิเลสมันสงบไม่ใช่ว่ามันหมดไปมันอยู่ในจิตนั่นแหละแต่เราอาศัยบทบริกรรมนี่แหละอาศัยบทธรรมอบริกรรมจิตก็สงบนเมื่อจิตสงบ ก็คือกิเลสมันสงบมันไม่เยียดจิตไม่ได้แล้วเมื่อมันแยีจิตไม่ได้เนี่ยไอ้ตําส่วนของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นกุศลวิบากที่เกิดขึ้นจากการพานึกคิดปรุงแต่งมันก็เริ่มหดไปหายไปหดไปหายไปเริ่มอยู่คงที่เริ่มอยู่คงที่แล้วก็ฝ่ายธรรมะก็เริ่มมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อสิ่งหนึ่งอยู่กับที่สิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่่่่่่อออยยยๆไสิงททีีีูกับเน นอกจากอยู่กับที่แล้วยังจะต้องถูกบันทอนไปทุกระยะทุกวันทุกเวลาดึงอันนั้นออกไปดึงอันนี้ออกไปดึงอันนั้นออกไ ป, ออกไปหมายความว่าเราเข้าไปรู้นั้นเหมือนกับว่าดึงออกอันนั้นออกไปเราเข้าไปรู้อันนี้ดึงอันนี้ออกไปเหตุปัจจัยของกิเลสให้เราเข้าใจว่ากิเลสไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกนเป็นอบายเป็นมายาเป็นความลุ่มหลงของจิตที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นอย่างอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเปลวเทียนเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของมันทั้งหมดไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนของไฟแท้ๆคือธาตุไฟสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากธาตุไฟมันทํางานของมันลองธาตุไฟดับสิ่งต่างๆเหล่ า, า, านี้หายไปหมดอาการต่างๆเหล่าลนี้หายไปหมดกนอุบายมายาของกิเลสที่เกิดขนึ้นภายในจิตเราก็เอาผู้รู้เนี่ยจิ้มผู้รู้เนี่ยดูผู้รู้ชําระผู้รู้ขัดเกลาผู้รู้กล่อมเกลาผู้รู้ อาศัยกายเนี่ยเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายเนี่ยในเมื่อเรามาพิจารณากายในเมื่อจิตใจมาอยู่กับกายมันก็สงบอยู่กับกายมันก็เป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมไม่เหมือนเราปรุงร่องลอยไปตามเรื่องของกิเลสกิเลสถ้าปรุงไปตามเรื่องของมันทั้งหมดนมันเป็นสัจธรรมเหมือนกันแต่มันเป็นสัจธรรมฝ่ายผูกมัดและมันเป็นสัจธรรมฝ่ายไม่มีตัวไม่มีตน เกิดขึ้นจากความลุ่มหลงของจิตเองชำระไปชำระไปกิริยานะั้นจะค่อยๆเริ่มหมดไปหมดไปหมดไปผู้รู้ก็เริ่มบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเหลือเหลืออันเดียวเหลือผู้รู้อันเดียวชำระอุบายมายาทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงแล้วก็ละไว้ฐานะที่ว่าเป็นหลักสัจธรรมฐานะที่ว่ารู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วความยึดความถือ มันก็สกกไปโดยอัตโนมัติในเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วก็ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เรารู้ไม่จริงเข้าใจไม่จริงรู้ผิดเข้าใจผิดเหตุเกิดจากสิ่งหนึ่งแต่เราชี้ไปอีกที่สิ่งหนึ่งแล้วก็ไปแก้แก้ก็ไม่ถูกอนอกจากแก้ไม่ถูกแล้วก็ยิ่งมัดเข้าไปอีกยิ่งทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกเหตุเกิดที่กอแต่เราชี้ไปที่ขอเนี่ยผิดแล้ว เวลาไปแก้นะ่แก้ผิดละนี่ตัวนี้ตัวสำคัญนะ่ะสำคัญที่สุดในหัวใจของมนุษย์เราท่านเนี่ยเราดูในสังคมเราดูที่ไหนเราดูออกหมดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ต้องการทุกคนนะต้องการความสุขต้องการความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เวลาไปสแสวงหานีนะ่แทนที่จะไปสแสวงหาเหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญอย่างทแท้แน่นอนถูกต้องเนะี่ยก็ ปราบไปสแสวงหาในสิ่งที่เป็นไปตามอัมหนักของความอยากเช่นอย่างเหตุให้เกิดความสุขความเจริญเกิดจากคอเนี่ยแต่เราไปสแสวงหาที่ขอเนี่ยผลมันก็ตามมาเ น, นี่ยถ้าเราไปสแสวงหาที่กอเนี่ยผลเกิดความสุขความเจริญอย่างแน่นอนแต่เราไปสแสวงหาที่ขอเนี่ยผลตามมาก็คือความทุกข์ความยากความลําบากเนื่องจากว่าเหตุมันผิดไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าเราเอาความอยากตามอำนาจของตันหาตารมาตันหาภาวะตันหาวิบภาวะตันหามาเป็นตัวตัดสินเดินตามนั้นทั้งหมดทัพพื้นะพือไม่มีข้อพิจารณาว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของมันที่เที่ยงแท้นแน่นอนน่ยผลตามมาก็มีแต่ความทุกข์ความยากความลําบากมันมีแต่เรื่องมาผูกมัดรับรึงหัวใจของเรานี่คือความเป็นไปของโลกถ้าเราอยู่อย่างนี้วัฏสงสารนี่ยืดยาวมากสําหรับเรา ยืดยาวขนาดไหนยืดยาวแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเหมือนวงกลมท่านว่าไม่มีที่จบไปตรงไหนก็กลมๆอยู่นั้นเราจะย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำร้อยแล้วซ้ำร้อยอีกอยู่นั้นเราก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีที่จบอะมันไปเรื่อยวัฏสงสารไม่มีที่จบวัฏแปลว่าวัฏวนวัฏวนวัฏสงสารสังสาระท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยไม่มีจุดจบไม่มีที่จบนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วเบื่อหน่ายมากวันที่ตรัสรู้นั่นแหละเห็นโอ้ยพบชาติของพระองค์เลยมากมายมหาศาลพิจารณาไม่รู้จบจบกเพนวาสานุสติยานเนี่ยทำกลางก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปเช่นเดียวกับพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยเห็นนู้นด้เห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยหมดโอ้ยความเกิดนี่แหละเป็นเหตุให้เรา ตอนไหทนทุกทรมานเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติสุขทุกทุกสุขขึ้นสูงขึ้นต่ำลงอย่างอย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นพิจารณาย้อนไปย้อนไปย้อนไปเหตุปัจจัแห่งการเกิดย้อนไปย้อนไปก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็สามารถเอาผู้รู้นี่แหละไปชําระไปขัดไปกล่าวจนหมดอุบายหมดหมายาของกิเลสที่มีอยู่ในพระไทยสว่างรขา่ขึ้นมาเกิดญาณทัศนะขึ้นมาความรู้ วิเศษขึ้นมาเนี่ยโอ้ที่ทขาเรียกว่าอาสวัคยายานยานรู้ว่าโอ้อาสวะเครื่องผูกดองพระองค์ไว้ในภพในชาติดับแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วพอใจละที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติมาปฏิบัติมาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจของยานของพระองค์เองเนี่ยก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยพ้นทุกข์ไปได้ผู้รู้ของพระองค์ก็บรรลุสุดไปได้ไม่มีภพไม่มีชาติละ ถึงตอนนั้นแล้วท่านว่าถึงบรมสุขบรมสุขบรมสุขยังไงบรมสุขไม่ต้องมาวุ่นวายกับอะไรอยู่เฉยสบายไม่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นคําสมมุติอีกพวกเราก็พยายามตั้งใจเดินเพื่อชําระขัดเกลาให้เบาบางจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปเรื่อย ถ, ถ้าเราชรําระผิดผิดทางเนี่ยความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีอะไรที่จะเบาลง แต่เราชำระถูกทางคือจับเหตุจับปัจจัยได้เนี่ยในเมืม่อจับได้เนี่ยมันจะเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยการขยับไปเรื่อยอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังงานของมันไปเรื่อยเพิ่มกําลังไปเรื่อยเพิ่มกาลังไปเรื่อยเพิ่มความสว่างของสติของปัญญาเราไป จ, 1988, จนเป็นมหาสติจนเป็นมหรราปัญญาเราจะสา ม, มารถไปต่อกันกับสิ่งที่เป็นมหาขุมพลังของกิเลสความรุ่มหลงของตัวเองเนี่ยส า, ม, สา ม, มารถแก้กันได้ กำลังเท่ากันได้สามารถแก้กันได้ถ้ากำลังแพ้กันก็แก้กันไม่ได้ไม่ว่าความดีความชั่วความชั่วกำลังมากกว่าความดีก็แพ้ความดีกำลังมากกว่าความชั่วก็ต้องแพ้เป็นเรื่องธรรมดาแพ้กันชนะกันด้วยอำนาจของของกำลังมากกว่าความเพียรในใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเราทำมากกว่ากิเลสกิเลสมันก็ไม่แย่ใจไม่ได้ถ้าเรามันหย่อนยานลงไป มันย่อนยานลงไปให้ความนึกความคิดในแง่ของความชั่วของอำนาจของกิเลสมันมากกว่ามันก็ดึงเราไปลากเราไปเรื่องเหตุกับผลเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกเราพยายามย่อนไปย้อนไปย้อนไปจนไปเข้าหลักอริยสัจสีนั้นน่ะพิจารณาดูรอบข้างทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายทั้งใจทั้งอะไรตัวไรนี่กําหนดดูทุกกําหนดดูทุกเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สมุทยัย สมุดไทยไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งหกตั้งใจถอดถอนมัน่การที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจนั่นแหละมันเป็นการถอดถอนไปโดยลําพังโดยอัตโนมัติแต่ท่านใช้คําเป็นคําอุปมาขึ้นมาว่าถอดถอนพอเราไปรู้แล้วเราก็หมดสงสัยหมดสงสัยก็ถือว่าหมดความคล้องแวะหมดความเกี่ยวข้องใ น, นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแล้วเราก็ไม่เอาอ่ะเมื่อรู้ว่าเป็นไฟแล้ว่ะอ เรื่องอะไรเราจะเอามือไปจี้มันก็เหมือนอย่างเราอาเอามือไปจี้ไฟเราไม่รู้ว่านี้เป็นไฟไปจี้ลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เราก็ไปจี้อ๋อไฟมันก็ไหม้มือไหม้ทั้งๆที่ไหม้ไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ยอมจี้มันไหม้อยู่เรื่อยๆอยู่งั้นแหละไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมันอืมแต่ถ้าเราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราทราบเหตุทราบผลของมันแล้วเราก็เข็ดเราก็ลาบเราก็ละเราก็เว้น มันถือว่าเป็นการดับเป็นการถอนไปโดยลำพังโดยอัตโนมัติ